เรื่องภิกษุเดินทางสามเรื่อง264สมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งกำลังเดินทางนับอจิเคลื่อนท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอบัตสังฆาที่เศษหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพรองตรัสถามว่าภิกษุเธอคิดอย่างไรข้าพระพุทธเจ้า ไม่มีความประสงค์จะทําน้ําอสุจิให้เคลื่อนพระพุทธเจ้าข้าภิกษุเธอไม่มีความประสงค์จะทําน้ําอสุจิให้เคลื่อนไม่ต้องอบัตวงเล็บเรื่องที่14สมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงค์จะทําน้ําอสุจิให้เคลื่อนกําลังเดินทางน้ําอสุจิเคลื่อนท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอบัตสังฆาทิเศธหรือหนอจึงนําเรื่องนี้ ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พร่องตรัสถามว่าภิกษุเธอคิดอย่างไรข้าพระพุทธเจ้ามีความประสงค์จะทําน้ําอสิจิให้เคลื่อนพระพุทธเจ้าข้าภิกษุเธอต้องอบัตสังคาทิเศษวงเล็บเรื่องที่15สมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงค์จะทําน้ําอสิจิให้เคลื่อนกําลังเดินทางน้ําอสิจิไม่เคลื่อน ท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอบัดสังฆาทิเศตหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพร่องตรัสถามว่าภิกษุเธอคิดอย่างไรข้าพระพุทธเจ้ามีความประสงค์จะทําน้ําอสุจิให้เคลื่อนพระพุทธเจ้าข้าภิกษุเธอไม่ต้องอบัดสังฆาทิเศตแต่ต้องอบัดทุลใจวงเล็บเรื่องที่16